ในชีวิตฉันที่ผ่านมานั้นทำสิ่งผิดพลังมามากมายยังเก็บความลังฟังลึกในจิตใจไม่อยากจะผิดหวังเหมือนเคร มาในวันนี้กับเธอคนนี้จะมีคำถามขึ้นในใจจะคิดอีกไหมที่รักเธอง่ายไปเพราะเธอไม่เหมือนใครๆเลยเธอรกักเธงแล้ว ต้องผิดอีกครั้งหนึ่งฉันขอทำผิดอีกได้ไหมจะหยุดตรงนี้หรือรักเธอต่อไปและมันจะเป็นอย่างไรไม่รู้เลยแต่สิ่งที่รู้ ที่เป็นไปแล้วมันเกินที่ฉันจะห่ามใจฉันยอมผิดหวังเธอฉันทำผิดไปเพราะใจตอนนี้มันมีเธอ